ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความไม่เตรียมพร้อมถ้าผู้เตรียมพร้อมแล้วก็อยู่ณนะสถานทินใดที่ใดก็พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆดูตัวเองไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆใหทานรักษาศีลไปเรื่อยๆ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 ก้อนห็นขึ้นบนภูเขาอย่างนั้นอ่ะมันขึ้นมายากแต่ถ้าเอาาไปอย่างนั้นแปลว่ากลิ่งลงภูเขามันกลิ่งได้ง่ายแต่ถ้าบัณฑิตนัปนกปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์คือพระพุทธทเจ้าตามแนวทามคําสงสอนของท่านท่านว่ากลิ่นลงภูเขาอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ประมาท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 สินสมาธิปัญญาของตอนเองจะลืมมักคาที่จะเดินไปสู่มักผลนิพพานคือมักแปดสินสมาธิปัญญาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความแก่ความเก็บความตายของตอนเองเพราะสิ่งเหล่านี้นมันแขวนอยู่ในตลอดตลอดเวลาอย่างความแก่อย่างนี้ ถึงเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นถึงจะเราจะคิดหรือไม่คิดก็ตามความแก่มันจะไหลไปเรื่อย ๆ, ๆปีนี้ปีที่แล้วปีนี้แก่กว่าปีที่แล้วปีหน้าแก่กว่าปีนี้แก่ลากไถไปเรื่อยลากไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยอผลที่สุดไปถึงหน้าเหวเลเกนั่นแหละเกี่ยลงเหวเหล้อกิน ไปว่าตกเหวไปว่าตายไปแล้วชีวิตของพวกเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะ น, นั้นเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเรืองเฮฮากันมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพารื่นเรองพาเฮฮาพาสนุกสนานแต่ธรรมชาติอันนั้นไม่ได้รื่นเรองเฮฮาสนุกสา น, น, น, นกับเราเลยแก่ลากใครไปเลย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 อันนี้คือเวทนามันมีอยู่ตลอดอยู่ในกายของเราเนี่ยถ้าเราจะเห็นและไม่เห็นก็ตามอันนี้ก็คือเวทนาอยู่ในกา ย, ยคือว่าความเจ็บถ้ากั้นลมหายใจซัปิดลมหายใจสันเนี่ยรู้สึกทันทีแหละไม่ใช่เจ็บแล้วมันเกินเจ็บพ่างั้นตายเลยไปถึงตายเลยว่างั้น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 มีตบุญกับบาปเท่านั้นนะที่เราได้สั่งสมบุญกุศลกับบุญกุศลติดในจิตในใจไปถ้าเราทำบาปอากุศลบาปอากุศลกับคลองจิตคลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองใจไปพวนั้นถึงจุดนั้นแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากพึ่งบุญตัวเองพึ่งบุญพึ่งบาปบาปพบ เราก็มาอยากจะพึ่งแล้วมันบาปมันชั่วแล้วจะไปพึ่งมันทําไมมันเบื่พึ่งมันเลยพาลากไปทางต่ําเรามีแต่พึ่งบุญนะแห่งอัตหิอัตโนนาโถนะตนแล่เป็นที่พึ่งของตนนะเพราะฉะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายต้องคิดไว้อยู่เสมอนะในสิ่งเราเนี่ยถ้าคิดเรื่องเหลานี้ทบทวนไว้อยู่เสมอเลยเป็นผู้ไม่ประมาทถึงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอเอาละไม่ถึงร้อยปีแนละ้ ต่างคนต่างไปแล้วเราขาดเหลือขาดตกอะไรเราควรพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวของเราให้ดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งอย่าอื่นก็อย่างนั้นอย่างนัง้นแหละโลกทั้งโลกมันเป็นมาอยู่อย่างเนี้ไม่รูดแต่พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายกันเนี้ยมี้เถื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องยูเรื่องกินเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคนมันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะนั้นเราจะไปยุ่งหรือมุดวายเหล่านะั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเราขาดตกบกพ้องอะไรพยายามมองตัวเองอยู่เสมอถ้ามองตัวเองอยู่เสมอแล้วเรื่องทางหลายทางปวงเนี่ยมันเบาไปหมดมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะทํำยังไงมันไม่มีก็อยู่แบบไม่มีถ้ามันมีมากหรือเอามีใช่ไปตามมี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 สนใจจุดนี้จะทํำยังไงเราจะเดินทัจนจดลัดยะทางของเราให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะชิดจุดนั้นให้มองจุดนั้นอย่าไปมองจุดอื่นจุดอื่นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นยังไงยังไงมันก็จะต้องเสมอกันหมด ทิ้งทั้งหมดในโลกนมากมีดีจนอะไรก็ตามทิ้งไว้หมดไม่มีใครที่จะเอาร่างกระดูกตัวเองไปได้ปล่อยวางทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราท่านทุกคนนะทุกท่านนะตั้งใจภาวนาสรุปแล้วให้ภาวนาใครเอากรรมฐานไหนเป็นหลัก หยุอะไรเป็นหลักมรณะนุสติเป็นหลักและวลึกถึงความตายตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายบริกรรมถึงความตายก็ได้ยัาางบอกมรณะมรณะมรณะนุสตนะิเห็นความตายตัวเองถ้าคนเห็นความตายตัวเองอยู่ตลอดจะเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้เตรียมพร้อมเราจะเอาอะไรไปด้วยได้นอกจากบุญกุศลนอกจากบุญกับบาปส่วนอื่นเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมดถึงจะรักแสนรักห่วงแสนห่วงแหนเสียนแสนแหนเกลียดแสนเกลียดโกรธแสนโกรธก็ไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นพรผลนั้นสิ่งเหล่านั้นเราจะปรับปรุง แค่ขทํทำใจยังไงจึงจะให้กับเข้าสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันมากระทบกระเทือนในจิตใจของเรานี่แหละอันนี้ต้องดูใจใ่หดูใจจะดูยังไงพยายามทำจิตให้สงบสงบด้วยวิธีอย่างไรมีหลายวิธีพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง4ี่สบอย่าง40ประการสำหรับให้พวกเราเดินมัก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 ให้มีสติสมบูรณ์อยู่กับตัวเองขณะนี้เดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่อันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมกรร ม, มฐานเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอันนี้เรามีอันนี้แหละคือคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุด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 ทำมันออกดีเอาออกไปกำหนดพิจารณาพรารู้แล้วว่าการพักผ่อนนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรการพิจารณาเนะี่ยเกิดประโยชน์แต่การพักผ่อนนั่นก็คือการกินทานอาหารแล้วก็พักผ่อนนอนมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้มันมีคุณค่ามีราคามียศถาบรรดาศักดิ์มีลาบมียศขึ้นมานั้นไม่ได้ แต่ว่าจะไปปราศจากในการหลับนอนไม่ได้การหลับนอนก็จําเป็นคนเราถึงจะทําการทํางานถึงจะมียศขั้นไหนก็เถอะถ้าไม่นอนก็ไม่ไหวเหมือนกันตายแต่ถ้าว่าเราจะนอนอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําการทํางานยศฐาบนบรรดาศักดิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพรามีแต่คนนอนอยู่หลับหูหลับตานอนอยู่่งนัน ะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งพักผ่อนด้วยทั้งสาะแสวงหาลาบยศสันรเสริญสุขด้วยมันเป็นหน้าที่ของเราต่างกรรมต่างวารรคที่เวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเวลาออกหาทํางานก็ต้องทํางานเนี่แหละให้รู้จักแยกแยะให้รู้จักแบ่งเวลาให้ตัวเอง แต่ตามไม่จริงเราจะทํานั่งสมาธิจนจิตสงบระดับไหนจึงจะพิจรารณาอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเราภาวนาวันนี้ใจของเรามันปงฟุ้งสั่นมันเข้าสมาธิไม่ได้มันมีนะอย่างนั้นนะเราควาบังคับให้พิจารณาเลยพิจรารณาให้เข้าเอาสติบังคับให้ปันคิด ให้มันคิดปรุงฟุ้งไปตามร่างกายอย่าให้มันออกนอกร่างกายของเราจะพิจารณากายก็ได้เวทนาก็ได้จิต ก, ก็ได้ธรรมก็ได้พิ erna าากายพิจ r n a อย่างไงพิ e ราณาเกศาโลุมานขาทันตาตะโจเนื้อหนังอย่างที่พวกเราสาธยายเมื่อกี้หนะักการสามสิบสองตั้งแต่หนังโดยรอบ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 ปอดอยู่ในลักษณะไหนลำ้ำไทรอยู่ไรรับลักษณะไหนสิ่งเหล่านี้การว่าพิจารณากายให้อยู่ในกายกําหนดไปอยู่ในกายเบื้องสูงเบื้องต่ําไล่ลงไปขยับขึ้นมาดูหรือเราจะไล่กระดูกของเราก็าได้แต่บางท่านบางคนเอ๊ะจะไปเห็นกระดูกได้ยังไงหลวงพ่อเคยแนะนําว่าควรจะเอาแผ่นกระดาษ หรือว่าเราไปในสถานที่ใดวัดใดที่มีเห็นโครงล่างกระดูกเราก็ไปยืนกําหนดดูดูล่างกระดูกแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเองเวลาเรานั่งภาวนานแล้วก็ดึกถึงโครงกระดูกนะว่าเรามีโครงกระดูกอย่งนั้นจริงไหมอย่างหรือว่าเราเห็นแผนกระดาษที่เขาถ่ายโครงกระดูกอย่างเนี้ยเราก็นํามาพิจารณา หรือเราเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของเราอย่างนี้ตัวมากพอเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของเราเราก็ไม่คิดว่าเป็นกระดูกของเราอีกต่างหากเลเห็นอยู่เห็ น, ห น, หนแบบผิวเผินแต่ตาม่จริงเป็นกระดูกของเราชัดเจน น, นั่นเอโครงกระดูกนะั่นในฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นกระโหลกศีรษะบังกระดูกทุกส่วนของร่างกายที่เขาถ่ายออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นในร่างกายของเรา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 หมาเศรษฐสาตร์ราสิาาสงเราควรทำทำตัวอย่างไรในเมื่อเราอยู่กับร่างกายของเราเราก็รู้เรื่องของร่างกายของเราเหมือนกับเราอยู่กับเด็กอย่างนั้นร่างกายมันชอบมันกินข้าวมันหิวอา้าพามันไปกินใจของเราก็รู้อยู่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนคนละกายนี้จะต้องเป็นคนอื่นอยู่เสมอแตกสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นและในการพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายเป็นอย่างนี้อันนกายเวทนากําหนดดูเวทนาอย่างที่พูดเวทนาก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เป็นเวทนาแล้วการเจ็บปวดในร่างกายทุกส่วนเรานั่งอยู่ที่ไหนพลิกไปพลิกมานั่นแหละคือเวทนาเวทนาภัยนอกคือร่างกายได้รับความทุกข์ลำบาก ส่วนเวทนาภายในใจของเราถ้าหากว่าได้ถูกเขาติฉินนินทาความพอใจความไม่พอใจอันนี้เพวเป็นเวทนาทางจิตเนี่ย้ข้าวเวทนามันเกิดกับใจของเราอันนี้เป็นบเวทนาทางใจเพวีวนาเวรเวทนาทางกายนี่ยแบบมันก็เหลือทนเหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แต่เวลาเพียวเวทนาทางจิตนี่อีกอย่างหนึ่งอีกคนบางคนทนไม่ได้เหมือนกันเวทนาทางทางใจอย่างกายเวทนาจิตจิตคือความนึกคิดความปรุงแต่งเราคิดอะไรเรื่องอะไรขณะนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเกียดเรื่องชังเรื่องอะไรกีปาทะร้อยแปด มันร้ายกว่ายิงลิงอยู่ในใจของเราเนี่ยมันร้ายกว่าลิงลิงอีกนนว่างั้นแต่ลิงมันลูกล็กลุกล็กนะยังสู้เสี้ยวหนึ่งของจิตของเราไม่ได้ถ้าเราเอาสติเข้าไปจับแล้วเราจะเห็นตัวใจของเราหรือจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยผู้รู้ของเราเนีย่ยยิ่งกว่าลิงอีกมันลูกล็กยิ่งกว่าลิงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สนใจก็อย่างว่ามันไปแล้วก็ ตามหลังมันไปเรื่อยๆตัวมากสติของเราไม่ไม่ทันมันเหมนกันแต่มันไปกินที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันลหลุดเกล็ดยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานต้องใช้สติกําหนดให้ชัดเจนจึงจะจึงจะรู้จึงจะเห็นวิธีทางเดินของจิตมันเดินยังไงเราทำานุปัฏนาสติปัฏฐานทำมาลมที่เกิดกับใจ เป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรีอกอาคุศลที่มันเกิดกับจิตสรุปแรกก็คือใจของเราเนี่ยมันมีดีมีชั่วมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ในใจมีดีมีชั่วอย่างนั้นมันคิดอยู่นั้นอันนี้ว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอันนี้เราพิจารณาทั้งสี่อย่างการพิจารณาทั้งทำสิสติปัฏฐานสี่เนี่ย เราจะเรียงลำดับมาใช่ไหมกายซะก่อนเวทนาซะก่อนจิตแล้วก็ทาใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นจะพิจารณาอะไรก็ได้จะพิจารณาทาก่อนก็ได้จิตก็ได้เวทนาก็ได้กายก็ได้หรืออันใดอันหนึ่งในสีอย่างจะพิจารณาอะไรอันไหนก็ได้เพราะความถนัดของเราถ้าเรามีความถนัดตรงไหนเราก็ยึดสติประฐานนั้น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 เห็นกายกำหนดตรงไหนจับจุดนั้นเหมือนกับเข็มาปากคมขมยังงับตรงไห น, นอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยืนแปลว่าสติของเราดีในเมื่อเมื่อสติเราจับตรงไหนอยู่จุดนั้นตรงนั้นไม่ขาดเคลื่อนเห็นอยู่ตลอดเมื่อเรามาพิจารณาทางด้า น, าปปนาจิตตานุปัฏนานสติปัฏฐานหรือว่าธรมารม า, านุปัฏนานสติปัฏฐาน จะเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าเราพิจารณากายก็ยังเรื่เรื่องหลังๆยังจับผิดจับถูกจับจับไม่อยู่จะพิจารณาเวทนาก็ยังพอไหวแต่พิจารณาจิตกับพิจารณาธรรมนีสองตัวนี้จะจับไม่ได้เลยแหละพูดไดเลยเพราะว่าขนาดกายหยาบๆนั้พิจารณาอย่งตะคุบหน้าตะคุบหลังอย่าง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 จากนั้นจึงมาพิจารณาทำมานุปจนนาสติปัฏฐานพิจารณาดูจิตของตนเองตัวผู้รู้ของเราขณะนี้คิดเรื่องอะไรมันปรุงไปในทางไหนมันหวันไหวไปทางไหนเราเห็นได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยสติของเราจับดูได้เลยทีนี้เมื่อเราพิจิิเห็นกายอย่างชัดเจนแล้วสติของเราแก่แก่กล้าขึ้นมาแล้วเห็นจิตทีนี้ จิตนึกคิดปุ่งฟุ้งไปทางไหนทีนี้ก็เห็นดูดูใจของตัวเองนดูจิตของตัวเองดูใจของตัวเองจะเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาสติปัญญาตัวนี้ไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาที่ว่าแน่วแน่มากฝึกฝนระออย่างเข้มงวดขวดขันอย่างมากจากนั้นก็จั ด, ดูดูใจของเรา ในหัวใจของเรามีอะไรเออมันกระปกแปะปอกแปะไปเลยอยงั้นเถอะเออเหมือนกันทาฬิกาเดินมันสองฝั่งเองมันมีดีกับมีชั่วมีสุขกับมีทุกมีเศร้าหมองกับมีผ่องใสอืมมันอยู่ในใจนะนะั่นแหะมันมีอยู่สองมันฟัดฝังเหวียงฝังเบียงฝังนี่แต่มันจะอยู่กงกลางๆอัปยากตาจิตจิตไม่คิดทางดีทางชั่วนะั้นน้อยมาก มันมีแต่ว่ากุศลอกุกับอกุศลกุศลก็คือทางดีอกุศลคือคือทางบาปมันอยู่ในนั่นสรุปแล้วก็คือเศร้าหมองกับผ่องใสเศร้าหมองก็คือจิตที่เป็นไปในทางชั่วผ่องใสคือกิจจิตไปในที่เป็นที่พอใจพอใจผ่องใสมันอยู่ในนั่นตอนี้ท่าเศร้าหมองหรืผ่องใสเป็นที่พอใจของเราแล้วเหรอเป็นที่พอใจไหม กิเลดมันเกิดอยู่ในนั้นมันเป็นที่พอใจพอทั้งสองอย่างเนี่ยบางบางทีมันก็จุดตรงไปทางของไข่ของเรามันหามาตรฐานหาความเที่ยงตรงไม่ได้มันไม่สแตนด์ดัตงั้นไงแหมมันไม่มาตรฐานแต่มันยังวัดจังเบียงยังวัดยังเบียงยังวัดยังเบียงอยู่เพราะฉะนั้นท่านในพิจารณาจับดูดจุดนี้ให้ดีนะ ทำที่จะดูจุดนี้ท่านก็วักนะ่ะตัวนี่แหละผู้รู้เนี่แหละเป็นตัวที่จะก่อพบก่อชาติต่อไปภายภาคหน้าก่อพบก่อชาติก่อเรื่องก่อราวก่อทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจุดนี้ที่มันวัดมันเหวี่ยงอยูนะ่ไงเวี่ยงซ้ายเวี่ยงขวาเวียงซ้ายเวียวเวยยเว่ยงขวาเนี่ยเศร้อมองพองใสอยูนะ่ไเนี่ยมันออกจากจุดนี้ คนนั้นท่านจึงเอาธรรมะขั้นหนักธรรมะที่ว่าหนักธรรมะอันสูงสง่งหรือว่าขันธรรมะที่ขั้นลงนิวเคลียร์นิวตอนลงจุดนั้นเลยจี่ว่าธรรมะอนาตาัตตาปฏิเสธทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา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 เมื่อจะทำลายจุดนั้นคืออันนั้นคือเปลือกคือกพีเรื่อสิ่งแปลกปลอมมันอยู่ในนั้นตอนนี้ระเบิดโยนเข้าไปที่นั่นแล้วมันแตกตุ่มลงไปพอมันแตกลงไปที่นี่นั่นน่ะความวาบริสุทธิ์หลุดพ้นมันออกมาจากไหนออกมาจากจุดนั้นนี่ว่านิพพานนิพพานังปรามังสุ ข, ขงังออกมาจากจุดนั้น ความไม่เกิดไม่แก่ไม่ใจตายก็ย อ, ออกมาจากจุดนั่นละ่ะไม่ออกมาจากจุดไหนเมื่อเราปล่อยวางเสร็จแล้วสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์นั่นก็คือหลักธรรมะหลักความหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นนี่แหละอันนี้คือสาหรับธรรมะขั้นสูงสุดสาหรับนักปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องล่มลุกคลุกขานมาตั้งแต่ทานสิงภาวนาศินสมาธิปัญญาจากนั้นกับพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านั่นนะเอากมาฐานกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจให้มีหลักใจให้มีหลักมีฐานใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆใจแน่วแน่จากนั้นก็มาพิจารณา ก, กายเห็นกายของตนเอง จากนั้นก็พิจารณาถึงสติปัฏฐานสดูอันใดอันหนึ่งจนถึงเข้าจนถึงเข้าไปดูถึงตัวจิตตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวนั้นแหะตัวต้วนเหตุใหญ่เรื่องใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในจุดนั้นปล่อยวางจุดนั้นทําลายจุดนั้นหลุดพ้นจุดนั้นกิเลสอยู่ในจุดนั้นกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในจุดใจของเราดวงนั้นน่ะแต่ถ้าใจดวงนั้นมีพบมีเชื้ออยู่นั่นแหละมันจะต้องพาไปเวียดไหวตายเกิดในวัฏสงสารลุงมุ่มรอนร้อสูงต่ำช่วชั่วดีๆไปเรื่อยทๆคิดดีคิดชั่วแต่มันวัดมันเวียงดวงนั้นอ่ะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเมื่อได้ยินถึงจะไม่ถึง จุดนั้นก็ดีพวกเราก็ควรพยายามรู้แล้วว่ากิเลสทั้งหลายอยู่ในจุดนั้นทำทั้งหลายที่จะตัดกิเลสก็อยู่ในจุดนั้นเพราะนั้นเราภาวนากําหนดลมจนพิจารณาดูแล้วให้ย้อนเข้าไปดูจุดนั้นพิจารณาไปยังไงยังไงแล้วก็ให้ย้อนไปสู่จุดนั้น ถึงจะเข้าหรือไม่เข้าถึงจะถอยหรือไม่ถอยถึงจะออกหรือไม่ออกอยังไงก็ตามต้องเข้าไปอยู่จุดนั้นเพราะจุดนั้นเป็นจุดเมืองใหญ่ของอวิชชาเมืองใหญ่ของพย า, าจิตตลาดที่ลุ่มหลงโมเมาอยู่นั้นเพราะนั้นจ้องใช้ธรรมะเข้าไปถล่มธรรมะอนัตตานี่ล่ ถล่มความยึดมั่นถือมั่นถล่มกิเลสความเศร้าหมองผ่องใสอยู่ในนั้นให้ออกกร ะ, กระจายออกไปให้แต่กระจุยกระจายออกไปให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์อันไหนคงต่อการพิสูจน์อันนั้นแหะคือธรรมคือธรรมหรเปลาเนเหมือนกับทองคําทองคํำผสมกับทองเหลืองผสมกับแร่ธาติอื่น แต่เขาใช้สารน้ำกรดแช่งลงไปสารอื่นละลายหมดยังเหลือแต่ทองคำทองคัเนี่ยิงเป็นทอคำร้อยเปอร์เซอีกเลยทีเนเพราะไม่มีสิ่งแ ป, ปรปลอมอยู่ในนั้นสิ่งแ ป, ปรแปลปรอมมันหมดไปแล้วมันไม่ทงไม่คนไม่ทงไม่คงทนต่อการพิสูจน์ไม่คงทนต่อสารน้ำกรดแช่งลงไป แต่ทองคำเนะี่ยจึงจะเอาอะไรแชร่ลงไปก็จะจะไม่ละลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเนะี่ยมันท่านคงทนต่อการพิสูจน์ทั้งหมดเมื่อกระเทาะกิเลสออกไปแล้วเนะี่ยจิตของเราหลุดพ้นนะั่นแหละนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังประมันประมังศูนย์ยังนิพพานศูนย์สิ่งที่จะลบควนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดพบเกิดชาติมันศูนย์ไปแล้วคือกิเลสราคะโทสะโมหนะที่จะทําให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายดนะับศูนย์ไปแล้วยังเหลือแต่นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถึงอย่างไงยังไง ไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศินมากน้อยขอให้ข้าพเจ้าถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็วถึงจะมอบข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตในพระพุทธเจ้าพระโธงพระธรรมประสงค์ในคุณงามความดีก็ข อ, ขอให้ผู้ขาดพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยเร็วอย่ามาเวียนไหยตายเกิดนี่ถ้าเวียนไายตายเกิดก็อย่างนี้แนหะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ยนะ ดีใจเสียใจทั้งทุกข์ทั้งโศกทั้งอะไรต่อมิอะไรมาลุมมาตุ่มเข้ามาใครจะว่าสุขขนาดไหนก็แต่แต่ว่าสุขแต่ข้างนอกนั่นเองแต่ส่วนลึกของใจแล้วมันไม่หาความสุขไม่ได้อันไหนคือความสุขที่แท้จริงค้นหาได้วยจีมันหาไม่เจอทั้งนั่นแหละถ้าหาความสุขที่แท้จริงแล้วแต่กความสุขที่จอมปลอมน่น พูดกันไปพูดกันมาอย่างนั้นคใครมีความสุขแต่ส่วนลึกของใจแล้วค้นหาดูก็แล้วกันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆหาความสุขแท้จริงนะหาที่ไหนถ้าจิตใจยังมีกิเลสอยู่มันหาความสุขไม่ได้หรอกจิตใจจ่หลุดพ้นนั่นเองเป็นจิตใจที่หาความสุขแท้ที่แท้จริงได้นะวันนี้แต่พูด อธิบายอธิขยายธรรมะปฏิบัติให้พวกเราได้สาเหนียกสํานึกแต่ถึงยังไงเรื่องการภาวนาเนี่ยพยายามทำจิตให้ตลมเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละทำจิตให้สงบนะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ยทำโมทโมสังโคสังโคต า, ตายตายอย่างที่ได้บอกไว้เบื้องต้นจากนั้นก็พิราณาพิจารณากระดุกในร่างกายของเรา ให้เห็นตามความเป็นจริงนะจากนั้นก็เมื่อเห็นสติของเราดีมั่นคงแล้วกั น, นั่นย้อนก็ไปฐานตัวใจตัวผู้รู้ตัวนา ม, มาธรรมอะไรท่าจะเห็นได้ชัดไปตามลำดับขั้นตอนการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเอาต่อเ น, นี้ไปนั่งภาวนาที น, นะ